เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทาน มารักษาสิ่งมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเจริญเกิดความสุขและเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังธรรมจะได้รู้ถึงเหตุและผลสองสิ่ง ต่างๆเช่นความสุขความเจริญนี่เป็นผลที่เกิดจากเหตุก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจคือทำไปในทางที่ดีนั่นเองเช่นคิดดีพูดดีทำดีก็จะทำให้เกิดผลคือความสุขและความเจริญตามมา ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีก็จะทำให้เกิดผลไม่ดีคือความเสื่อมเสียและความทุกข์ตามมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้มันเจริญเหตุที่ดีอยู่เรื่อยๆคือให้คิดดีพูดดีทำดีและการที่จะสามารถ คิดดีพูดดีทำดีได้ก็จำเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสีคือคุณธรรมสีประการด้วยกันที่จะทำให้สามารถทำในสิ่งที่ดีเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาได้เพราะผลต่างๆนั้นไม่ได้เกิดจากการอธิษฐาน ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดังที่พวกเราส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันเรามักจะกราบพระแล้วก็ขอให้ท่านได้ช่วยเราให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งนี้ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าอยากจะได้อะไรก็ต้องทำด้วยกายวาจาใจ ด้วยอัตตาหิอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนดังที่พระพเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็เลยต้องบำเพ็ญเหตุที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือ ต้องออกบวชต้องปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีลจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระองค์ไม่เคยอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยเพราะถ้าขอตอนนี้ก็ยังจะไม่มีพระพุทธเจ้า มาตัดสรู้มาประกาศพระศาสนามาก่อตั้งพระพุทธศาสนาให้พวกเราได้ยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งมาจนถึงทุกวันนี้การที่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมามีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาาะเพราะว่ามีเจ้าชายสิท ธ, ธัตถผู้มีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายด้วยการจเจริญอิทธิบาทสีคุณธรรมสีประการที่จะทำให้สามารถปฏิบัติบำเพ็ญธรรมที่จะนำมาซึ่งการหลุดพ้น คำว่าอิทธิบานี้มีความหมายว่าอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางทางสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรคนที่จะไปสู่ความยิ่งใหญ่ไปสู่ความสำเร็จได้เช่นไปเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นมหาจักรพรรดิก็จำเป็นจะต้องมีคุณธร ร, รมทั้งสี่ประการนี้เช่นเดียวกับทางโลกผู้ที่ปรารถนาที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะปรารถนาการบรรลุเป็นพระอหรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็จำเป็นจะต้องมีอิทธิบาตสีนี้เช่นเดียวกัน ที่บาศีข้อที่หนึ่งเรียกว่าฉันทะแปลว่าความยินดีความพอใจข้อที่สองวิริยะแปลว่าความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรข้อที่สจิตตะแปลว่าความจดจอ่อความแน่วแน่ต่องานที่จะต้องทําและข้อที่สี่ วิมังสาแปลว่าความคิดคร้ควรอยู่กับงานการที่เราต้องทำหรือกำลังทำอยู่จะไม่คิดเรื่องอื่นจะคิดแต่เรื่องงานที่เราต้องทำเพื่อให้เราได้ผลที่เราปรารถนานี่คือคุณธรรมสี่ประการที่เรียกว่าอิทธิบาทสีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ถ้าผู้ใดมีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ก็จะสามารถประสบกับความสำเร็จได้เสมอไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือในทางธรรมในทางโลกถ้าอยากจะเรียนจบปริญญาอยากจะเป็นมหาเศด็จิอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีก็สามารถที่จะเป็นได้ ถ้ามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือต้องมีความยินดีที่จ ะ, จะเจริญเหตุที่จะนําไปสู่ผลที่ต้องการนั่นเองการที่เราจะมีความยินดีมีความพอใจเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราปรารถนาผลที่เราปรารถนานั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร ถ้าเราไม่รู้ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์เราก็จะไม่มีความยินดีเช่นเด็กถ้าไม่รู้คุณค่าของการศึกษาว่าเมื่อได้เรียนจบแล้วได้ปริญญาแล้วจะมีโอกาสได้มีชีวิตที่สุขที่สบายกว่าผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาถ้าเขาไม่รู้ เขาก็จะไม่มีความยินดีเขาก็จะไม่มีความขยันที่จะไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือใจของเขาก็จะไม่จดจ่ออยู่กับการเรียนไม่คิดกับเรื่องของการเรียนก็จะคิดแต่เรื่องเที่ยวเรื่องเล่นใจก็จะจดจ่ออยู่กับการเที่ยวการเล่นขยันอยู่กับการเที่ยวการเล่นพอใจกับการเที่ยวกับการเล่น ถ้าเป็นอย่างนั้นผลที่ดีคือการจบปริญญาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วชีวิตของเขาก็จะทุกข์ยากลำบากต่อไปเพราะการเที่ยวการเล่นนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งเงินทองต่างๆทำหลายหรือสิ่งต่างๆที่ปราถนากันถ้าเรามีลูก ถ้าลูกไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาเราก็ควรที่จะสอนเขาให้รู้ยกตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นให้เขาเห็นคนที่ทำงานปากตามแบกหางใช้แรงงานเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่เรียนจบปริญญามีงานที่ดีมีรถมีบ้าน มีสมบัติเข้าของต่างๆมากมายถ้าเราบอกเขาสอนเขาให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเรียนหนังสือและการไม่ได้เรียนหนังสือว่าผลที่จะตามมาเป็นอย่างไรถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็จะเกิดความยินดีเกิดความพอใจที่จะไปเรียนหนังสือ จะมีความขยันเรียนหนังสือจะมีความตั้งใจจะเรียนหนังสือและมีความคิดที่จะเรียนหนังสืออย่างเดียวจะไม่คิดไปเที่ยวไปเล่นไปทำอะไรอย่างอื่นถ้าใจของเขามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วเขาก็จะเรียนจบปริญญาได้ไม่ว่าจะระดับปริญญาตรีหรือโทรหรือเอก ไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคอยู่ที่ว่ามีอิทธิบาตสีนี้อยู่หรือไม่เท่านั้นเองเช่นเดียวกับทางธรรมทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรายังไม่รู้คุณค่าของการบรรลุมรรคผลนิพพานของการบรรลุเป็นพระอรหันต์ ของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องศึกษาดูว่ามีคุณค่าอย่างไร mm. เช่นดูคนที่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดว่าดีไหมกลับมาทุกครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาจากสิ่งที่รักคนที่รักมาทุกข์กับการดูแลรักษา อัตภาพร่างกายนี่เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันแน่ส่วนคนที่ไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากสิ่งต่างๆไม่ต้องมาดิ้นรนปากกาดตีนถีบต่อสู้เพื่อที่จะยังอัตภาพชีวิตให้อยู่ไปแต่ต่อสู้อย่างไร ในที่สุดก็สู้ความแก่สู้ความเจ็บสู้ความตายไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุดถ้าเราศึกษาและเปรียบเทียบถึงการเวียนว่ายตายเกิดกับการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลาย เราก็จะเกิดฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติเพื่อที่ให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการปฏิบัติด้วยเหตุที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีสขั้นด้วยกันคือหนึ่งทาน 2. สองศีลสามภาวนาถ้าเรา มีอิทธิบาทสีมีความยินดีกับทานศีลภาวนามีวิริยะความภาคเพียนที่จะทำทานรักษาศีลภาวนามีจิตตะมีใจตั้งใจจดจอ่อที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาและมีวิมังสา มีความคิดค่อยควรอยู่กับเรื่องของการทำทานรักษาศีลภาวนาอย่างที่ญาติโยมได้มากระทำกันในวันนี้นี่เรียกว่าญาติโยมมีอิทธิบาทสี่แต่อาจจะมีไม่แก่กล้าจนถึงที่จะทำให้ครบทั้งสามประการ ตอนนี้ก็มีอิธิบาทสี่ต่อการมาทำบุญให้ทานแต่ยังอาจจะไม่มีอิธิบาทสีต่อการรักษาศีลบางท่านก็มีอิธิบาทสี่ต่อการรักษาศีลก็รักษาศีลห้าไปควบคู่กับการทาบุญให้ทานบางท่านก็มีอิธิบาสี่ถึงขั้นภาวนาก็จะรักษาก็จะทำทาน รักษาสิ่งแล้วก็ภาวนาไปด้วยเช่นท่านที่มานุ่งขาวห่มขาวนี้ก็เป็นผู้ที่มุ่งมาสู่การภาวนามาสู่การปฏิบัติทำใจให้สงบทำใจให้เกิดความฉลาเกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่ใจจะได้ไม่หลงยึดติดไม่หลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าไม่หลงยึดติดไม่หลงอยากได้สิ่งต่างๆแล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คืออิทธิบาทสี่ที่พวกเราทุกคนถ้าปรารถนาความสำเร็จในไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมก็จำเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสี่ถ้าไม่มีฉันทะก็ต้องพยายามศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เราเกิดอยากได้ขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เราดูโฆษณาสินค้าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่ที่เขามีขายอยู่ในตลาดนั้นมีคุณมีประโยชน์อย่างไรแต่พอเราเห็นการโฆษณาบอกถึงคุณานะสมบัติ สรรพคุณของสินค้าที่เขาขายอยู่พอเราเห็นแล้วเราก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะได้สินค้านั้นถ้าเราไม่ได้ดูโฆษณาเราก็จะไม่รู้สรรพคุณของสินค้าต่างๆเช่นใดถ้าเราไม่ได้ยินได้ได้ยินสรรพคุณของสิ่งที่ดีทั้งหลายเช่นการศึกษา เพื่อจบปริญญาตีโทเอกนี้หรือทรรพคุณของการมีทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีอำนาจเป็นผู้ใหญ่เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเราก็จะไม่มีความยินดีที่อยากจะเป็นเศรษฐีเป็นนายกหรือเป็นประธานาธิบดีหรือไม่อยากจะจบปริญญาตรีโทเอก แต่ถ้าเรารู้ว่าการที่ได้เป็นนายกนั้นวิเศษอย่างไรได้เป็น ป, นประธานาธิบดีนั้นวิเศษอย่างไรเป็นมหาเศรษฐีวิเศษอย่างไรจบปริญญาตรีโทเอกแล้ววิเศษอย่างไรพอเรารูสรรพคุณของสิ่งต่างๆาเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เราเกิดฉันทะความยินดีที่จ ะ, จะเจริญเหตุ ที่จะนำไปสู่ผลที่เรายินดีนั่นเองเช่นเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรถ้าเราอยากจะเรียนจบปริญญาก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรไปโรงเรียนใจเราก็ต้องตั้งใจไปเรียนอย่างเดียวไม่ไปยุ่งกับเรื่องอื่นความคิดของเราก็จะคิดอยู่กับเรื่องเรียนอย่างเดียวไม่คิดกับเรื่องอื่น ถ้าเรามีอย่างนี้แล้วไม่รับรองได้ว่าเราก็จะได้เรียนสำเร็จอย่างแน่นอน<ม>เช่นเดียวกับการเป็นเศรษฐีเป็นนายกหรือเป็นประธานาธิบดีหรือจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดเราก็สามารถเป็นได้ด้วยกันทุกคนเพราะว่า <c oughs> มรรคผลนิพพานนี้ ไม่มีใครสวนลิกสิทธิ์ไม่มีใครถูกห้ามไม่ให้ไปถึงมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ไปถึงได้เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ไปถึงได้เป็นคารวะญาติโยมหรือเป็นบรรพชิตนักบวชก็ไปถึงได้ด้วยกันเพียงแต่ว่าจะไปถึงช้าหรือไปถึงเร็ว เหมือนกับการขับรถบนทางด่วนกับขับรถบนถนนธรรมดาถ้าได้ขึ้นทางด่วนก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าถ้าขับรถอยู่ข้างใต้ทางด่วนก็จะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าขับไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะไปถึงได้เหมือนกันเช่นนักบวชนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ขับรถบนทางด่วน ไม่มีสีแยกไฟแดงไม่มีรถคอยมาขวางมาติดทําให้วิ่งไปไม่ได้เร็วบนทาง ด, วด่วนนี้รถจะวิ่งไปทางเดียวกันหมดก็จะไปได้อย่างรวดเร็วถ้าขับรถอยู่ทางใต้ทาง ด, วด่วนก็จะมีรถวิ่งสวนทางกันขวางกันมีสีแยกไฟแดงก็จะต้องเสียเวลา นักบวชนี้เป็นเหมือนผู้ที่ได้ขึ้นทาง ด, วด่วนส่วนคาววะญาติโยมนี้เป็นเหมือนผู้ที่ขับรถอยู่ใต้ทาง ด, วด่วนจะต้องเจอสียยกไฟแดงโจรถเ จ, จอรถติดเจอรถกับรถอะไรเจออุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้ไม่สามารถวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วชีวิตของคาววะจึงไม่สามารถปฏิบัติธรรม ได้อย่างเต็มที่นั่นเองเพราะไหนจะต้องมีภารกิจกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วยังต้องมาเลี้ยงคนอื่นอีกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ยังมีกิเลสมาคอยรบกวนให้ไปหาความสุขกับโทรทัศน์กับการดูหนังฟังเพลง กับการดื่มกับการรับประทานกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเวลาที่จะเอามาปฏิบัติทาจึงมีไม่มากนะจึงไม่ค่อยปรากฏมีคารวาดบรรลุมากขลนมิพานเหมือนกับนักบวชแต่ก็มีอยู่แต่ก็ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับนักบวชทั้งหลาย ในสมัยพระพุทธกาลนี่จะมีนักบวชที่บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากส่วนคลาวาสญาิโยมก็พอมีบ้างแต่ไม่มากแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ไ ม, ไ, มไม่บรรลุไม่ได้ทุกคนบรรลุได้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติได้มากหรือน้อยเท่านั้นเอง ถ้าขึ้นทางด่วนรถก็จะวิ่งได้เร็วแต่ถ้าอยู่ข้างล่างรถก็จะวิ่งได้ช้าติดขัดตามสีแยกไฟแดงต่างๆ <c oughs> ก็จะไปถึงช้าและอาจจะไม่ทันการก็ได้คือน้ามันรถอาจจะหมดก่อนก็ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตของเราก็เหมือนมีน้ำมันรถคือเราอาจจะตายก่อนที่เราจะ บรร u ุถึงมรรคผลนิพพานก็ได้แต่ถ้าเราเรีกบขึ้นทางด่วนเราก็จะไม่เสียเวลาน้ำมันเราก็จะไม่หมดไปกับการจอดรถอยู่เฉยๆน้ำมันก็จะใช้กับการขับเคลื่อนรถยนต์ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นถ้าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีฉันทะความยินดีที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะต้องขึ้นทางด่วนกันเพราะขึ้นทางด่วนแล้วปฏิบัติไปไม่นานก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนแก่พระภิกษุในสติปัฏฐานสตูตรว่าถ้าสามารถเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับไป จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในเจวันหรือเจเดือนหรือเจปีเป็นอย่างมากจะไม่เกินเจปีพระพุทธเจ้าทรงรับประกันไว้เหมือนกับคนที่ขายสินค้าว่ารับประกันว่าถ้าซื้อรถคันนี้แล้วรับประกันว่าสามารถขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ได้ในเวลาที่เขาโฆษณาไว้ทุกประกรัน ทันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเซลแมนเป็นคนขายรถยนต์รถยนต์ที่พวกเราต้องขับกันก็คือธรรมะที่เรียกว่าทานศีลภาวนาถ้าเราขับธรรมะขับรถธรรมะขับทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ติ่นจนหลับนับรองได้ว่าภายในเจวันเจเดือนหรือเจดปี เราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเราอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษว่าศาสนาเสื่อมแล้วไม่สามารถที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถึงแม้พระองค์จะตายไปแล้วจะจากพวกเราไปแล้วแต่พระธรรมวินัยคือพระธรรมคําสอนที่พระองค์ทรงตัดสอนไว้ชอบแล้วนี้จะเป็นาศาสดาแทนพระองค์ต่อไปจะเป็นาศาสดาของพวกเราเป็นอาจารย์ของพวกเราต่อไปตราบใดที่ยังมีพระธรรมวินัยอยู่ในโลกนี้ตราบนั้น ก็ยังมีพระาศาสดาคอยสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ดังนั้นเราอย่าไปอ้างว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติไปก็ไร้ผลนี่ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องต้องคิดว่าตอนนี้ยังมีาศาสดาคือมีพระธรรมวินัยมีพระธรรมคําสอนที่จะเป็นอาจารย์สอนให้เรา ได้หยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากมีพระธรรมวินัยแล้วก็ยังมีภระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีภาคสุปฏิปันโนภาะที่บรรลุมรรคผลนิพพานที่จะสามารถทําหน้าที่สั่งสอนให้พวกเราได้หยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าดังนั้นอย่าไปอ้างว่า ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีพระอาหารหันต์แล้วพวกเราปฏิบัติไม่ได้แล้วหรือว่าจะไปอ้างว่าเราเป็นคารวะเราเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถบวชได้อันนี้ก็ไม่ใช่ข้ออ้างอีกเพราะว่าในสมัยพระพุทธการผู้ที่ไม่บวชผู้ที่เป็นคารวะก็บรรลุ ก, กันได้ผู้ที่เป็นผู้หญิงก็บรรลุ ก, กันได้ ไม่ได้อยู่ที่การจะต้องบวชอย่างเดียวแต่นับแต่ยอมรับว่าถ้าบวชได้ก็จะดีเพราะจะไปได้เร็วกว่าถ้าไม่บวชก็จะไปช้าหน่อยถึงแม้สมัยนี้จะไม่มีภิกษุณีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการบวชก็ไม่จำเป็นจะต้องนุ่เป็นภิกษุณีลุ่นุ่งเหลืองห่มเหลือ ง, เ, องเพียงอย่างเดียวสมัยนี้บวชนุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวก็ได้เหมือนกัน ก็สามารถปฏิบัติ บ, ตบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันดังนั้นเราจึงไม่มีข้ออ้างว่าเราไม่สามารถปฏิบัติได้อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองว่าเรามีฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติหรือไม่เรามีความวิริยะความภาคเพียรหรือไม่มีจิตตะมีความตั้งใจมีใจจดจอ่อกับการปฏิบัติหรือไม่ มีวิมังษามีความคิดคายควรอยู่กับเรื่องการปฏิบัติหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องมีถ้ามีแล้วไม่ว่าจะเป็นคาราวาระหรือนักบวชเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จะไม่เป็นปัญหาเลยจะสามารถปฏิบัติและ บ, บรรลุถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกัน อาจจะช้าเร็วต่างกันเท่านั้นอยากช้าไปถึงช้าหรือไปถึงเร็วเมื่อถึงแล้วผลก็เหมือนกันเหมือนเดินทางมาที่วัดนี้มาก่อนหรือมาหลังเมื่อมาถึงแล้วก็ถือว่าถึงเหมือนกันเรียนจบปริญญาตีโทเอกจะจบก่อนจบหลังก็จบเหมือนกันปนริญญาก็มีคุณค่าเท่ากัน ไม่ใช่ว่าคนนี้จบก่อนแล้วปิญญาของเขามีราคามากกว่าปิญญาของคนที่จบทีหลังอันนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องวัดกันเครื่องวัดอยู่ที่ว่าจะมีวิรยิยะมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือไม่มีมากหรือมีน้อยหรือไม่ถ้าไม่มีก็ควรพยายามสร้างขึ้นมา ด้วยการหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆให้เข้าหาพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่จะปลุกใจของเราให้เกิดมีศรัทธาให้มีฉันทะมีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมถ้าไปคุยไปฟังจากพระที่ไม่ใช่เป็นสุปฏิปันโนท่านจะไม่สามารถพูดความจริงของ การปฏิบัติของมักผลนิพพานได้ท่านก็จะไม่ทำให้เราเกิดความประทับใจเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติเหมือนเวลามีเซลแมนมาขายของแต่ไม่สามารถพูดถึงสปปรรพคุณของสินค้าที่เขาจะขายให้กับเราได้เพราะเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าสปปรรพคุณของสินค้านั้นเป็นอย่างไรเขาก็จะพูดไม่เต็มปาก พูดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้มั้งพอเราฟังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความยินดีที่อยากจะได้แต่ถ้าเจอเซลยแมนที่เขาพูดว่าของของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รับประกันตลอดชีวิตอย่างนี้พอเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราก็จะเกิดมีศรัทธามีความยินดี ที่จะซื้อสิน้าของเขาถ้าเราไปคุยกับพระสุปฏิปัโนพระที่บรรลุร่งผลนิพพานแล้วท่านจะพูดอย่างนี้เลยว่ารับดรับรองได้ว่าชาตินี้ถ้าปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังรับรองได้ว่าภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีจะต้องบรรลุจะต้องดุจผลได้หยุดพ้นได้อย่างแน่นอน พอเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะเกิดกำลังใจเ <c oughs> กิดความยินดีเกิดความศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเราปฏิบัติเราจะได้ผลอย่างแน่นอนนั่นเองจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เป็นอิทธิบาท เป็นทางที่จะนำไปสู่ความสําเร็จสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะในทางโลกหรือทางธรรมเถิดแล้วผลที่เราปรารถนาก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณกระีรัตนาตาตรแรงบุญกุศล